สิกขาบทที่9ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเลือกรับเฉพาะแกงมากในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา